สิ่งที่ดีที่ช่วยเราสถาคดบอกไว้แล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่ต้องปัญหาดอกเหมือนอาหารที่หามาแล้วจงล่างมือเปิดเถิดค่ายกับพูดอย่างนั้นทำแต่ละบทระบาทของพระบรมาชารีดาค้ายเกับ่าองค์ท่านเรียกอยู่มาเถิดลูกหลานเอ๋ยที่นั้นวุ่นวายที่นั่นขัดข้อ มานี่เถิดไม่หุนวายไม่คัดข้อคละแค่กับเรียกอยู่ไม่มีกวายวันางคืนธรรมะแต่ละบทละบาแต่พวกเราโดยมากทำหูไปนาทำตาไปเถื่อนใชยผู้ปฏิบัติพู้ศรทธศาสนาเป็นคนเคะเป็นคนล่าชชาไมพูดไม่มองดูตัวเสียด้วย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 หนังสือธรรมะก็เหมือนกันเอาทิ้งลงในกระโถนหลวงปู่มั่นไม่ให้ทิ้งเลยหนังสือใดๆก็เหมือนกันหนังสือต่างชาติหลวงปู่มั่นมาให้ทิ้งลงในกระโถนบอกว่าหนังสือแต่ละชาติสามารถจารึกคำสอนของพอปรมศารคดาได้ถ้าพูดอย่างนั้นหลวงปู่มั่นท่านเคารพที่สุดเหตฉะนั้นมันก็เห็นกับชาติ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 จะพยายามเว่นมัน่ไม่นอนใจข้าก็ว่าเลี่ยงงูเห่าไว้กัดตัวเราจะไม่เลี่ยงงูเห่าไว้กัดตัวทีนเราจะไม่เลี่ยงสนิมไว้ให้กัดกินจิตกินใจจะพยายามเห็นโทษในเรื่องสนิมโลกโกรธหลงตามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาววิตก ถ้าไม่มีกาลมันมีตกพยาบาทหยุตกวิหิสา ย, ยูตกความเบียดเบียนในกิจในกจของสัตว์ทั้งหลายแล้วสัตว์ทั้งหลายก็นอนหลับไม่สะดุ้งผวาเพราะมันมีเวรอยู่รอบข้างเพราะพุทธศาสนาทรห ม, มันอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องทำอีกก็ได้พิสูมม์สามเวรตั้งหลายแสนหลายหมื่น ถ้าจะพวกเรานี่ออกไปทำไร่ไทนาหมดจะได้ที่ดินที่ไหนมาให้จะได้ที่ไร่ที่นาที่ไหนมาให้จะได้รถที่ไหนมาให้พอลูกเ อ, อ๋ยล้านเ อ, อ๋ยจะเกิดมาอีกเรื่องพุทธศาสนาธรรมมันอยู่แล้วผู้ที่กิเลน้อยก็ไปสวรรค์บ้างนิพพานบ้างพรห ม, มโลกบ้างผู้ลงนรกก็มีผู้ไปเป็นสัตว์ชีวชานก็มีแบ่งแยกแล้ว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 พรพุทธศาสนามีชั้นวันละหรือไม่แผ่นดินมีชั้นวันละหรือไม่ที่ในสูงทำประโยชน์ไม่ได้มันก็ต่ำอยู่ในตัวของมันที่ในต่ำเกินไปก็เป็นทะเลที่ไหนเป็นหินเฉยๆที่ไหนเป็นธาตุของทองคำหรือดีบุกหรือเพชรนินจินดา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 ถ้าตีเสมอภาคกันก็ตอกตีราคาขายเสมอกันวิดาก็เป็นวิดาเต็มภูมิมนาก็เป็นมานาเต็มภูมิจะไปว่าสหายหมดไม่มีขอบเขตมันก็ไม่ถูกเตะก้นแล้วก็เขยหัวเล่นมันก็ไม่ถูกเรต้องหาเกียรติยศแผ่นดินก็มีที่สูงที่ต่ำเหมือนกัน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 ถ้าเราเห็นอนัตตาทํากิตแห้ว่าเป็นเสชาคไวกิจไม่ใช่แัดไม่ใช่บุคคลอย่างนี้ในอดีตอนาคตก็ดึงมารวมแล้วในใจโลกธาตุก็ดึงมารวมแล้วเพราะไม่เอีกดดีนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่สิ้งความสงสัย <c oughs> ที่เราพูดกันไปอยู่นี่พูดมากๆมันก็เป็นวจีสังขารกิตตสังขารเท่านั้นไม่ใช่อันอื่น ขึ้นแน่กแ็แลปวนนล่แต่สลายเหมือนกันคำพูดเนี่ยพูดขึ้นคำใหม่ก็เป็นอีกรอบใหม่จิดรูปอันใหม่ก็เป็นอีกรอบใหม่ความเป็นจริงก็รอบเก่าของมันที่เคยรอบมาแล้วนั่นเองนั่นอิสะท ม, มูทะนันตูเมื่อกิดยังมีรอโกรธหลงอยู่ฉไหนจะได้เห็นพระนิพานเออ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เตาพอละหันพวกพอละหันพูดกับเราก็เหมือนกันเพราะเรายังมีกิเลสเอาเที่ยวอยู่แต่นในกิเลสท่านออกจากาศกิเลสไปแล้วนี่ท<ม>่านพูดเราก็ไม่เชื่อที<ม>ีน้เกลือเค็มขนาดไหนเค็มขนาดนั้นเค็มขนาดนี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองคีบดูคีบดูก็รู้จัก<ม>แล้วจะไปถามอยู่เฉยๆเราไปคีบเกลือมันก็ไม่รู้จักรดเค็มชั้นใดก็ดี เราจะไปเรียนแต่คำพูดเฉยๆเราไม่ปฏิบัติมันไม่ไม่รู้จักรดธรรมเหมือนช้อนที่ตักแกงวันยังคำมันก็ไม่รู้จักรดแต่ลิ้นนิดเดียวท่านรู้จักแล้วละอันเดียวกันเรื่องเหล่านี้กรรมให้ผลเป็นลำดับกรรมให้ผลในพบเฉๆ กรรมให้ผลตามกิจที่ทําในทางดีทางทั่วตามกิจให้ทําก็มีที่ทําก็มีกรรมให้ผลสําเร็จแล้วมันมีแต่พระรหันต์เฉพวกเดียว mm hmm. หรือเรื่องนั้นกรรมตามทันหมดพระรหันต์ถึงกรรมเก่าจะตํามตามท่านมาทันก็ตามแต่มามันก็พบแต่เรือนร้าง mm hmm. เช่นพ่อโมกคันลานะ mm hmm. กรรมของท่านท่าน ดำดินบินบนได้ถึงอย่างนั้นก็เวลาท่านเข้าสู่พระนิพพานสิ้นมลมาปก็ค้อนโจรเข้ามาตีเพราะบุพรกรรมของท่านเคยได้ทำผิดพระมารดากุศลอันนั้นก็ตามมาทุกชาติทุกพบทีนี้เมื่อตลอดถึงชาติเป็นพระอรหันต์ท่านในยึดถือในรันห้าของท่านเอง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 เพราะเห็นใดเพราะคิดเองเพพวกเรามีอยู่คอยรับเขาที่นี่มีข้าราชการคนหนึ่งเขามีชิ้นห้าบอริีบูล น, นาชการคนนั้นอยู่อุดรธานีชื่อจานผาทาแก้วมูเพื่อน คนดื่มสุดาท่านไม่ดื่มเออผมงดมานานแล้วหมูเพื่อนก็เอาสุราเทรถหัวท่านก็พยายามคมโกรธกำหนดลมให้ใจเข้าออกเจริญพุทโธ ท, ที่นี่หมูเพื่อนเทไปหลายคนหลายคนปยุยหักหมดเสื้อผ้าเทร ถ, ถหัว ท่านก็ไม่โกรธท่านอดเอาทนเอาแต่พอมาถึงวันใหม่มาไปทํางานในโรงในศาลเดีวยวกันถามท่านก่ท่านก็พูดกขาเขาดีๆอยู่ด mm hmm. ูว่าดูว่าเพื่อนไม่ทําอะไรท่านไม่แสดงอาการผูกเวรเลยไม่ผูกโกรธไม่มีอุปนิ ह ะผูกโกรธท่านอดทนเอา อยู่มาอยู่มาโมเพื่อนออคนคนนี้เป็นคนนักป่าเกิดเลือดรอนเองก็เลยพาไปทำวัดท่านทำวัดท่านกราบลงที่เท้าท่านก็บอกว่าไม่ให้เพื่อนเป็นบาปเป็นกรรมอะไรดอกเพราะจิตใจของเพื่อนอยู่ในระหว่างนั้นแล้ว ผมก็เป็นคิตใจอยู่ในระหว่างเป็นคนร่างระหว่างแล้วผมก็ไปเอาเรื่องกับเพื่อนก็ให้แล้วกันไปเสียนะผมไม่ผูกเวรถูกภัยกับเพื่อนดอกขอให้เพื่อนมีความสุขความเจริญนั้นเถอะผมก็จะถือเป็นมิตรเป็นสหายอย่างเดิมแต่ถ้ว่าในเรื่องสุรานี่ยผมได้งดแล้วมู่เพื่อนก็อย่ารบกวนท่านขอเยอวิงวอนท่านก็เลยเป็นมิตรเป็นสหายกันไปพวกนั้นเห็นโทษของตนก็เลยไปกราบท่าน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 เออแร้วไปถ้าหากว่ามาก่อกันใหม่ก็ให้แลกกันไปเสียชาตินี้เนอถ้าหากว่ามาเก่อเก่าก็ให้เรียกแลวกันไปเสียชาตินี้นถ้ากว่าเป็นเวรเวกรรมใ่ชาติก่อนสําหรับผมก็ไม่เอาเรื่องอะไรกับคุณขอให้แลกกันไปซะเชีลอยชาติแต่บางก่อนผมจะทําท่านก็อาจเป็นได้ผมก็มองไม่เห็น พอมาถึงสถา น, นีเราใครทําก่อนทําหลังก็าตามเลยก็ให้แล้วกรับไปชเชนอุแล้วภรรยาของผมผมก็จะมอบให้ท่านให้ท่านเอาไปซะลูกสองคนจะแบ่งให้ผมผมก็จะเอาหรือจะไม่แบ่งจะให้หมดผมก็จะเอามอบให้เลยมอบให้ ก, ก็ไปไปอยู่กินกับกันทีนี้ส่วนผัวของมัน ที่มันได้พวาใหมายมันก็นึกอยู่เหมือนกันเออสามีของเขาก็เป็นคนถึงศีลถึงธรรมขนาดนี้แล้วออลูกของเขาก็สวยพอได้อยู่มันยังมาเป็นใจกับเราถ้าคนอื่นมาเป็นใจกับมันมันก็จะเป็นไปอีกละมันก็นึกในใจของมหมายแค่คนนั้นไม่นานมันก็ทิ้ง พิงเลยฮะเอาใหม่ธรรยาคนนั่นจะมาคืนมาคืนหา่านท่า น, นก็บอกว่าสำหรับเจ้ามันเป็นปลาปอมิตรแล้วไปกับข้าไม่ได้อีกดอกในชาตินี้ก็หยุดกันเสียพวกเราท่านก็ไม่เรียกเลยตกงก็เลยหมดปัญหานางนั้นก็ดี มันในเรื่องนี้มันค่ายคับจัร์ทโคโหรท่านท่านองค์ไหนก็คงเคยได้ยินถ้าทำดีจะตายทำไมไม่ได้ดีเออก็กรรมเก่าของเราก็มีอยู่ทุกๆุกท่านทุกๆคนทีเดียวมันก็มีอยู่ว่าแต่มันก็ได้ดีอยู่ขนาดนี้เขาก็ยังเสียดายเรานั่น ล้วไปไหมเขาก็ยังเสียดายเรานั่นก็เป็นกรรมดีของเราแล้วเป็นผลของกรรมดีเขายังจะเดินขบวนเอาเราคืนไปอยู่นั่นเขาไม่ยอมหลาจะค้าดีที่ไหนอีกพีนมันดีแล้ว กรรมในผลของกรรมมันไม่จบกบเสียง่ายจนชาติเข้าสู่ข้าินิหารมันตามมากรรมที่ทำดีก็ตามมากรรมที่ทำชั่วก็ตามมาเห็นกับชาติเลย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 มันเรือนแต่วิชาอิจฉานิษยากันวิชาสมารมิตรไม่ค่อยมีทุกวันนี้มีแต่มิตรวิชาแตกเกล้ากันวิชากระเป๋าตัวเองผู้ที่เห็นแก่กระเป๋าตัวเองเราไม่เห็นแก่กระเป๋าตัวเองเราก็ยอมถูกแพ้เขาเช่นก่อนพระบรมศาสดา ย, ยอมถูกแพ้เขาทั้งนั้นมาในภพไหนชาติไหนแต่ว่าเวลากับชนะไม่กลับมาแพ้ อ, อีกนะสี่นี้ กำไรของชนะก็เลยเป็นพระสมมาสพรพุทธเจ้าเกิดพบได้ทา่าไดก็ยอมถูกแพ้เขาทั้งนั้นเราทําดีแล้วไม่ได้ดีเออเอาเถอะผลทางหน้าต้องไม่อีกเราทําดีตะพึดตะพึดตะพึดเจนี้ผลมาให้ก็เลยได้เป็นสมาสพรพุทธเจ้าของเรา ไ, ได้กราบได้ว่าอิปูนอยู่ไม่ได้กราบว่าอิฐปูนหรอกไหวพระปูนของท่าน พระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่ที่ใจของเราแล้วน aff มาที่ใจแล้วทาดีก็คือใจเป็นผู้ใดดีแล้วทํำชั่วใจเป็นผู้ใดชั่วเหตุอยู่ที่ใจพ้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเหตุดีก็อยู่ที่ใจเหตุชั่วก็อยู่ที่ใจพ้นดีพ้นชั่วก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นแล้วอย่าไปมองเพียงแค่เพียงแค่อา mith เท่านั้นมองพระพุทธศาสานามองด้วยธรรม ถ้าอา m i t ไม่สมประสงค์เราก็จะว่าไม่ได้ผลมันก็ไม่ถูกอือตมาเองในลูกพ่อนี่แม่นี่นาก็ไม่ได้กับเขาอืโคกระบือก็ไม่ได้กับเขาถูกแพ้เขาวิดามาดาแบ่งให้ก็ให้พี่สาวหมดตามทุกตามอยากของเราเดี๋ยวนี้เขากลับมากราบไหว้ใช่แล้วชนะเขาแล้ว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 สั่งคำคำหยอกเย้าของท่านก็สั่งแล้วบอกว่ า, าได้ทักคุณแล้วไปวินทบาทระวังสุนัขเขาไม่ดีเนอ้อเดีย๋ยวไปเหยียบมาน้อยก็ตายเนอ้อ <c oughs> หยอกขันแล้วอบครับออก40ข้ออา <c oughs> งล่างอหายให้ตบครับชิายเาลงมาสาด า, ศา เป็นสารเองไม่มีใครได้หรอกแต่คุณได้มานี่ก็ไม่เท่าที่เสียไปถูกไหม mm hmm. น่ะไม่เท่าถ้าอย่างนั้นจะว่าได้ยังไงไม่ว่าต่เท่านั้นละบาทหนึ่งจะให้ถูกบาทหนึ่งจะให้ล้านบาทก็ลอยทะเลเลือน ก, กันในวันนี้ทั่วประเทศชาติบ้านเมืองพ่อต่างก็จะทุ่มเทกันใส่ mm hmm. บายมุกทุกประเภทที่เจ้าองค์ไหนมาก็บอกว่าชีบหายทางเดีครท่างเจ้ามือเลยทั้งผู้เล่นเลยทั้งลูกมือทั้งลูกขาจะมาไมายินดีด้วยหัวก็หัวหน้าแห้งเหีห่เฉยนี่แหะไม่ยินดีด้วยเพราะมันเป็นทางชีบหายพาแม่บ้านไม่เรือนนาที่ดินที่สวนอย่าง มันต้องหับเสียจะชนะเลขก็จงไม่เล่นเลขเท่านั้นอย่าอื่นมาชนะมันไม่ชนะดอกรัฐบาลเขาทําก็ตางแต่ว่าถ้าเราไม่ซื้อเขาเขาไม่บังคับนี่เราไปทิ้งใส่เขาไม่ได้รัฐบาลไปทิ้งใส่ท่านไม่ได้สุราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดื่มก็ไม่มีกฎหมายที่จะบังคับให้เราดื่มเราไปจะจะทิ้งให้รัฐบาลก็ไม่ถูกอะไนี้ เล่ก็เหมือนกันรัฐบาลไม่เล่นรัฐบาลเล่นใครไม่เล่นก็มาในบังคับนะใครเขาเขาพูดว่าถ้าพระพิกิุไม่กินเนื้อเขาก็ไม่ฆ่ากันหรอกแต่พระพิกษุไม่มีภรรยาทำไมเขาเอากันนัก <laughs> อันเดียวกันนะ่ะ ลูกจะแคทชัดตัดความสงสัยทำไม่ได้ล่วงไม่ได้เว้นแม่แต่มันสงสัยอยู่มันไม่สงสัยเสียเลยอะารมั้งมันไม่สงสัยในคิตในใจเสียเลยว่ามันจะเป็นทางเจริญจึงไม่ส่งเสริมพิจุสะมเนนมันผ่านมาแล้วตั้งแต่วันออกอุปสมบทติหรือบรรพชามันผ่านมาแล้วมันข้ามาแล้วยังจะไปส่งเสริมอันนี้อยู่ มันก็ไม่สมภาค่าสาวัส์สู้เ ข, ขาราคาเี่นห้าอยูว่ว่าไม่ได้จะไปส่งเสริมอบายมุขมาคาขอรนนั่นไน้่เสียงหรือจำได้เลยได้เสียงอะไรบ้าท่านเนอคเภอมาค้าวกรนเสียงอะไรบ้าเสียงกัน มุ่งปู่หลเรื่องเหมนเรื่องกรรมอลไรพ้นของกรรมเลยเมื่อมาวันก็เสียงก็ุ่งตัวสีเสียงทําไมเสียงหาความจริงหรือเสียงว่าไอคนที่มันทำชั่วมันถึมันเลวแต่มันได้ดีทั้งนั้นอก็เรากับเขาใครจะตายก่อนที่เราไม่ได้มองเขาไปจนสุดวันตาย ถ้าเรามองเขาไปเรามีอิทธิพลที่จะมองเขาไปต่างเขาก็ต่างมองกันตายพร้อมกันหรือสิ้นลมปานขณะเดียวกันบางทีเขาตายก่อนใะแเราก็ไม่ทันได้เห็นเขาไปทุดท้ายในชาตินี้บางทีเราก็ตายก่อนเขาใช่เราไปเห็นเพียงเพล็บเดียวเราก็ให้คะแนนเขาว่าเขารวยมันก็ไม่ถูกเรามองดูว่าเขาจะไปได้ขนาดไหนเรายังไม่ทันไมองนะอันนี้นะข้อสาคัญ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 เมืเ่อในมองดูจนสุดขีดนี่แต่ว่าชาติหน้าเขาจะเป็นอะไรอีกเราก็ไม่ทราบทีนี้วันพรุ่งนี้เขาจะเป็นอะไรอีกเขาจะอยู่ไปตลอดฟังขวาหรือไม่ในชานี้เราไม่ทันในมองเขาใชแลหวให้คะแนนเขาเขาจะร่ารวยไปอยู่ถึงขนาดเก่าหรือหรือจะวิโยกพัดพ้าเราก็ยังมองไม่เห็นนั่น เราไปเสียใจก่อนไปให้คะแนนเขาก่อนไปขี้หึงเขาก่อนเขาทําให้ดีบอกว่าเขารวยเราไม่เพิ่งให้คะแนนเขาละพอหาทามาในศาลที่ไม่ชอบเราก็ไม่ยิ้มดีพอมีปฏิปทาไม่ชอบเขาจะไปได้กี่วันจะมีอะไรบ้างข้างหน้ายังมองมาเห็นอีกนั่นหน้าคิดหน้าขอนี่ ร้านคนหนึ่งมันมาเถียงมกันเขาค้าโคค้ากระบือขายทําไมเขารวยนักเออเธอไปเห็นเขาแล้วหรือเขาไปนี่เป็นสินค้ายเธอรู้จักหรือหรือเขาไปนี่เขาเป็นนี่คนอื่นตั้งร้านเธอก็ไม่รู้นะทุกวันนี้เธอไปเห็นแต่บ้านแต่ช่องของเขาไปเห็นที่อยู่ที่กินของเขาเห็นแต่รถแต่เรือของเขาเขายืมใครมาไม่ทราบ ที่นี่ก็หยุดเถียงไปแล้วเห็นเขาโกโก้เก๋เก๋มียศมีบริวารแต่ว่าเขาเป็นนี่ใครอยู่อีกทันลานเราก็ไม่ทราบเออเล้วเป็นรัฐมนตรีอย่างนั้นแหละเขาเป็นนี่ใครบ้างเขามีทุกอะไรบ้างเราก็ไม่รู้จักเขาอีกเห็นเพียงเขาแต่งตัวโกโก้เก๋เก๋แล้วก็ให้คะแนนเขาเลย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 เราบริสุทธิ์เรามีน้อยก็สบายเรามีมากไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สบายนั่นไะด้ของมาไม่บริสุทธิ์จะมีมากเต็มเป็นฝ้าแผ่นดินมันก็ไม่สบายใจเหมือนกันล่ะมีเงินกลางเดียวแต่ว่าได้มาโดยบริสุทธิ์มีเกลือมีข้าวปั้นเดียวคำเดียวหรือช้อนเดียวเราก็สบายอยู่ เพราะเป็นนี่เป็นชิ้นไข่เพราะมันทะเลาะกับไขรมีมากไม่สบายจิตมันจะมีประโยชน์อะไรมีน้อยแต่สบายจิตมันก็มีประโยชน์เป็นที่สบายของเราด้วยผู้ที่ได้มาทางทุทริิตเขาจะอวดโอ้ว่าเขาเป็นคนสุขสบายสักเพียงไนก็ตาม ใจของเขาเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นทุกข์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะเขาได้ข้องมาในบ่ัไม่บริสุทธิ์คนเราถ้าไม่สุขใจจะเอาที่ไหนมาสุขทีนีทรัพย์สมบัติมีมากเท่าไรใจก็ไม่สุขมีมีสมบัติน้อยแต่ว่าจิตใจสบายมันก็เป็นที่อยู่สบายเท่านั้น มีรามียอดน้อยก็ตามแต่ใจสบายก็พออยู่อยู่แต่มีคนเอาอู่ทองหรือเอาเตียงคำมาหามรอบประเทศนี่แต่คิดใจเราไม่สบายมันก็ไม่ถูกอยู่เหมือนกันนะ สมเด็จทบบามลายท่ะท่านก็ลําบากเหมือนกันท่านก็ไม่พอใจเหมือนกันมูลค่าเหมือนกัน <c oughs> แต่เมื่อจิตใจท่านสบายแล้วมันก็ต้องสบายจะมีเงินกี่ล้านล้านถ้าจิตใจไม่สบายแล้วก็หาความสุขไม่ได้จะมีลาบมียศสักเพียงใดก็าตามถ้าจิตใจไม่สบายก็ไม่เป็นสุขพระผู้รับสุขรักทุกเป็นจิตใจอันเดียว คนอื่นไม่มาแย่งรับด้วยตาหัวจมูกเลี้ยงมันก็แม่มาแย่งแล้มีหน้าที่แก้เก็บตายมันก็ไปตามเรื่องมันนั่นนี่พอดีเ็นข้อสำคัญคนเราไม่ได้ถึงทุกคนได้ถึงทางดีมันก็ได้รับผลดีได้ถึงทางชั่วก็ได้รับผลชั่วเพราเหตุก็ผลมาอยู่กลาหากันพอก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุฟังผลก็ฟังเหตุสงสัยผลก็สงสัย เหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยนัผลของเหตุมันให้กันให้คะแนนของเหตุอยู่ทุกอิริยาบุทุกวินาทีแล้วลืมตาก็เห็นนันเหก็ผลหลับตาผลก็มืดนั่นเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟัง เหตุสงสัยผลก็สงสยัยเหตุไม่สงสยัยผลก็ไม่สงสยัยนั่นไม่อยู่ไกลกันพอวินาทีเลยพว ก, ก, กักซกจกหอกขาเหมือนกันเขารวยพวกลักไทยรักถอนเขารวยไปกี่วันทีนี้ เขาใจถึงทางนั้นเขารวยไปกี่วัดแต่ก็ไม่พ้นเขาเฉือนคอเหมือนกันนั่นเพราะผลของกรรมมีอยู่ถ้าผลของกรรมไม่มีใครก็ไม่นับถือพระพุทธศาสนาละโดยเฉพาะคนนับถือแบบบ้าๆเชื่อกรรมและผลของกรรมจึงยอมนับถือพระพุทธศาสนาถ้ามันยึดตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ อัธรยูตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักวัตุผลผลนห่งเหตุอันนี้ทุกผลผลแห่งเหตุอันนี้เหตุของคิดของใจผลของคิดของใจอันเก่านั่นเองหนักเหตุชมาทาพร้อมด้วยเหตุผลสมาทาพร้อมด้วยผล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 ต่อัตมาเปลี่ยนชื่อใหม่ยว่าการมะโทษไม่มีคณการมมาโทษการมมาโทษนี่คนหนึ่งเมียไม่รู้ว่ากี่คนลูกก็ยายยังกันอยู่ทุกคนทุกแห่ง เดี๋ยวก็เยี่ยบลูกคนนั่นเดี๋ยวก็เยี่ยมลูกคนนี้เดี๋ยวก็ ย, ยมภรรยาคนนี่ภรรยาคนนั่นนักแกตายนักใจยนะการมาโทษสนุกปีสนุกเอาล่างกระดูกกอดล่างกระดูกแล้วก็ถือเป็นของสนุกเอาดินหน้ามไฟลมถู ก, กัน เราถือเป็นของสนุกเช่แต่มันเป็นทุกข์ความจริงของมันเป็นทุกข์มีภรรยามากหลายคนก็ยิ่งทะเลาะกันเดีย๋ยวรักเมียนั่นเดี๋ยวรักเมียนี้เดี๋ยวขึ้นเมียนั่นเดี๋ยวขึ้นเมียนี้ถ้าเมียผู้ใจโหดได้มันก็ทําอันตรายเรามีน้ําำซ้ำมันเบือ่อหรือมีหาอุบายฆ่าเราอีกชนกัน มันก็เป็นทุกข์หัวใจอยู่อย่างนั้นใครๆก็เหมือนกันอยากทุกข์ก็ให้เอาลา้ามีอยากเสียเงินบ่อยๆก็ให้เล่นเลขกถูกไหม <c oughs>